ที่จริงมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยจับหลักให้แม่นๆแล้วก็ดูทําตัวเป็นคนดูดูกายเขาทางานดูใจเขาทางานเราเป็นแค่คนดูเป็นแค่คนเห็นเห็นกายเห็นใจทํางานที่จริงคําว่าเห็นเนี่ยถูกมากกว่าคําว่าดูดูเนี่ยยังเจือคําว่าจงใจเข้าไปหน่อย งหลงปูดุลท่านใช้คาว่าเห็นเหมือนกันนะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งไม่ได้บอกจิตดูจิตไม่จิตเห็นจิตเห็นนะหมายถึงว่ามันมีตามันมีรูปมีแสงสว่างนะมีจิตเกิดขึ้นก็เห็นรูปตามองเห็นรูปไม่ได้เจตนาจะเห็นเวลาตามองเห็นรูปก็ไม่ได้บังคับรูปว่ารูปต้องดีต้องสวยต้องอย่างโน้นต้องอย่างนี้รูปเป็นยังไงตาก็เห็นอย่างนั้นแหละ เวลาเราเห็นจิตก็เหมือนกันนะจิตเป็นยังไงเราก็เป็นเห็นไปอย่างนั้นแหละจิตดีเราก็รู้จิตชั่วเราก็รู้ทุกทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะความสุขก็รู้จักความทุกข์ก็รู้จักโลบโกรดหลงอะไรก็รู้จักทั้งนั้นนะต่อไป น, นี้ก็แค่ว่าความรู้สึกอะไรมันเกิดขึ้นกับจิตใจของเราเรารู้ไปเรื่อยๆใจมีความสุขก็รู้ใจมีความทุกข์ก็รู้ มี land, land, ววความสุขอยู่ชั ías, ่วคราวความสุขหายไปเราก็รู้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเรารู้ไปความทุกข์อยู่ชั่วคราวความทุกข์หายไปเราก็รู้ใจเฉยเฉยเฉยๆฉก็อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็หายไปอีกจะสุขจะทุกข์หรือจะดีจะชั่วบทีใจก็โลบขึ้นมาใจก็โกรธใจก็หลงก็เห็นรลยก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายโกรธอยู่ชั่วคราวแล้วหายหลงอยู่ชั่วคราวแล้วหายนการภาวนานะไม่เห็นจะยากตรงไหน เห็นได้ทุกคนนะ่ยแต่ละเลยไม่รู้ว่าตรงนี้สําคัญเราไปคิดว่าจะต้องไปปฏิบัติทําอะไรที่ลำบากมากนะมากนะถึงยันงบรรลุมรรคผลนิพพานเราไม่รู้แต่มันง่ายนิดเดียวเองนะรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นรู้ได้ทุกคนอยู่แล้วนะแต่ละเลยไม่ยอมรู้ต่อไป น, นี้ไม่ละเลยหัดรู้บ่อยๆรู้จักสุขไหมสุขมีความสุขก็รู้จะเห็นเลยสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไป มีความทุกข์เนี่ยลมพัดมาเห็นไหมใจหนีไปดูลมพัดใบไม้โยกน่ากลัวนคนห้คิดการไกลจะกลับบ้านยังไงมีเวลาเยอะวันนี้นะ <c oughs> อยู่เวียนเทียนแล้วค่อยกลับอย่างได้เลย <c oughs> ที่จริงสะดวกก็คือฟังธรรมเสร็จแล้วนัก็กลับบ้านไป อยากเรียนเทียนก็ไปเรียนวัดใกล้ๆบ้านอยู่ตรงไหนเราก็คิดถึงพระพุทธเจ้าตรงนั้นก็ใช้ได้ละ <Yeah. S 1> แล้วก็เลือกเอานะไปดูหาวัดใกล้ๆบ้านไปเดินเราก็ได้ไม่มีจริงๆนะเดิมอยู่ในบ้านเราก็ได้หาพระพุทธรูปมาตั้งเขาสักวงเดินอยู่รอบพระนะั่นแหละ เวลาเดินก็นึกถึงพระนะนึกถึงคุณงามความดีของท่านเมื่อก่อนท่านก็มีกิเลสเหมือนพวกเรานี่แหละเวลาค่อยๆฝึกเราตอนนี้หลวงพ่อมีความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่กลางทุ่งดอกไม้ <c oughs> ถ้าพวกเราหว่วยกวันนี้นะนึกบอกอยู่บนสนามหญ้ากุหลาโส ตอนนีใจเราเหมือนดอกไม้ค่อยๆเติบโตนะค่อยบานแต่วันหนึ่งก็จะงด ง, งามค่อยฝึกดูกายอย่างที่กายเปลี่ยนดูใจอย่างที่ใจเปลยนดูไปสบายๆดูไปเรื่อยๆอย่าไปบังคับมันเวลารู้สึกนะเริ่มต้นนะัคือใจตอนนี้เป็นไงก็รู้เลยไม่ต้องวางฟอม ไม่ใช่บอกอ้าวทุกคนดูจิตตั้งท่าวางฟอร์มบางความจิตจะผิดธรรมชาติผิดความจริงไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้มีจิตไหมตอนนี้ก็มีจิตอยู่แล้วเรารู้สึกซิตอนนี้ร่างกายทําอะไรอยู่แค่รู้สึกนะอย่าไปบังคับมันเห็นร่างกายพยักหน้าไหมบางคนพยักหน้ายิ้มซี้ยิ้มหวานหวานบางคนนะยิ้มแห้งแล้งจัง ใส่นั่งพลาดไปนั่งติดเจ้านี้ยิ้มไปออกล้วเนี่ยเห็นได้เลยตัวอะไรมันหัวเราะไหมนะเห็นตัวอะไรหัวเราะไหมตัวอะไรมันเคลื่อนไหวไหมตัวอะไรหายใจรู้สึกไปสบายๆรู้สึกแต่กายก็ได้เห็นร่างกายมันทํางานรู้สึกในจิตใจก็ได้เห็นจิตใจทํางา น, นอย่าไปดัดแปลงมัน เวลาเราเจะภาวนานะอย่างเราจะรู้ลมหายใจหรือว่าเราคิดจะทำอานาปนานสติจะทำอนาปนานสติก็ไม่ใช่เริ่มต้นต้องวางฟอร์มนั่งสวยงามก่อนแล้วทำใจซึมๆทำใจทื่อๆแล้วไปดูลมหายใจด้วยใจที่ทื่อๆเนี่นใช้ไม่ได้ตอนนี้เราหายใจอยู่แล้วจิตใจเราก็มีอยู่แล้ว เราเห็นร่างกายหายใจอย่าไปดูลมนะให้ดูร่างกายหายใจพระเจ้าไม่ได้สอนให้เราไปเพ่งตัวลมนะถ้าเราฟังคำสอนท่านให้ดีไม่ได้เพ่งตัวลมหายใจส่วนใหญ่ที่เรียนเรียนกันไปเพ่งตัวลมหายใจท่านบอกว่าดูกระพิกสูทั้งหลายหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวอะไรหายใจออก ร่างกายหายใจออกท่านไม่ได้บอกเลยพิสูนทั้งหลายให้รู้อยู่ที่ลมหายใจไม่ได้สอนนะพิสูทั้งหลายหายใจออกยาวรู้หายใจออกยาวเห็นร่างกายมันหายใจหายใจยาวหายใจเข้าออกสบายๆหายใจพอจิตสงบนะลมจะตื้นขึ้นเรื่อยๆจะสั้นหายใจจะสั้นขึ้นเรื่อยๆแล้วกเห็นร่างกายหายใจสั้นลงแล้วสั้นลงจนกระทั่งหยุดหายใจไปร่างกายหยุดหายใจ ก่อนจะร่างกายหยุดหายใจเนี่ยเราจะรู้สึกถึงธาตุลมนะที่มันเคลื่อนอยู่ทั้งตัวเลยไม่ใช่อยู่ที่ลมหายใจท่านก็สอนบอกว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทังอย่างเงี้ยเราเป็นผู้รู้กองลมเรานะใครจิตเป็นผู้รู้อะไรเป็นกองลมไอตัวนี้แหละเป็นกองลมนั้นดูทั้งตัวอย่าไปดูแค่ลมหายใจเวลารู้ลมหายใจถ้าเราดูเฉพาะลมหายใจนะเราจะิดเพ่งลมหายใจ ใจจะแข็งแข็งแต่ถ้าเรารู้ร่างกายหายใจเห็นได้ตัวนี้มันหายใจรู้สบายๆเราจะรู้สึกเลยตัวที่หายใจอยู่นะคือร่างกายหายใจไม่ใช่ตัวเราหรอกจะค่อยๆถอนความรู้สึกเป็นตัวเราออกไปจะหายความรู้สึกที่ว่าเป็นเร า, าหายไปทดนะลองดูนะตอนนี้รู้ลมหายใจก่อนจับอยู่ที่ลมหายใจ อพอละจำความรู้สึกตรงนี้ไว้นะยิ้มหวานหวานก่อนยิ้มหวานยิ้มหวานแล้วใช่ไหใจตอนนี้ผ่อนคลายรู้สึกไหมใช้ใจที่ผ่อนคลายอย่างตอนเนี้ยเห็นร่างกายกำลังหายใจอยู่ใช้ใจที่สบายกว้างๆโล่งๆนี่นหละเห็นร่างกายหายใจรู้สึกไหมความรู้สึกสองอันนี้ไม่เหมือนกันอันแรกทื่อๆรู้สึกไหม ซุมๆทื่อๆไม่ดีอันนี้รู้ตัวทั่วพร้อมเห็นตัวนี้หายใจอยู่แล้วรู้สึกไหมไอ้ร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่เราหรอกร่างกายหายใจอยู่เดี๋ยวถ้าเราเรียนคําสอนของพระเจ้าให้ดีนะจะง่ายไนงะแต่ส่วนมากพอเราอ่านปุ๊บนะจะแปลเพี้ยนทันทีเลยเหมือนที่หลวงปู่มั่นท่านบอกว่าธรรมะเนี่ยพอมาสู่จิตปุถุชนนะกลายเป็นธรรมะตัวปลอมเรียกสัตยธรรมปฏิรูปทันทีเลย ยังต่อไปนี้นะร่างกายหายใจเห็นร่างกายมันหายใจเห็นด้วยใจธรรมดาอย่างเนี้ใจที่สบายๆรู้เนื้อรู้ตัวไม่ต้องจ้องนะให้ความรู้สึกเกิดขึ้นมาแล้วค่อยรู้เอามีความสุขก็รู้ความสุขหายไปก็รู้แค่รู้เอาใจจะคิดก็อย่าไปห้ามมันบางคนเข้าใจผิดนะว่าต้องไม่คิด จิตมีหน้าที่คิดจิตอยากคิดให้มันคิดไปแต่ถ้าคิดแล้วเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดกุศลน่ะกุศลให้รู้เอาก็จะเห็นเลยสุขทุกข์ดีชั่วเท่าไหร่เกิดแล้วก็ดับไปงั้นใจจะคิดก็ได้ตาจะเห็นรูปก็ได้หูจะได้ยินเสียงก็ได้จมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกก็ได้ให้มเตือทบไปกระทบแล้วถ้ารู้สึกในกายก็เห็นร่างกายมันทำงาน ถ้ารู้สึกที่จิตใจก็เห็นจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงฝึกไปเรื่อยอย่างตอนดูกายแต่กิที่พาให้ดูรู้สึกไหมร่างกายมันเริ่มจะไม่ใช่เราแล้วถ้าเราดูจิตทํางานนะเห็นเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ทำงานได้เองนานๆไปมันจะเห็นไหมจิตไม่ใช่เราแล้วภาวนามากไปนะวันหนึ่งจะเห็นนะตัวเราไม่มีร่างกายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราตัวเราไม่มี ได้เป็นพระโสดาบันกับเขาสะทีนะไม่ยากหรอกยากเพราะไม่รู้วิธีถ้าเราไม่ได้เรียนวิธีของพระเจ้านะัยากที่สุดเลยเพราะเราทำด้วยตัวเองนะหาไม่ได้หรอกไม่ใช่ภูมิปัญญาของพวกเราจะหาได้ด้วยตัวเองอาศัยได้ฟังทำรู้วิธีดูกายดูใจนะดูไปได้เห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนอย่างตอนนี้ร่างกายนั่งรู้สึกห รู้ได้ใจที่สบายๆรู้ตัวสบายๆเห็นร่างกายนั่งอยู่ลองขยับมือสิเห็นร่างกายขยับมือนี่บางคนไม่เป็นไปเพ่งใส่มือเพ่งใจก็แข็งแข็งเหมือนไปเพ่งใส่ลมหายใจนะใจก็แข็งเพ่งใส่มือใจก็แข็งไปเพ่งท้องใจก็แข็งอีกเพ่งอะไรก็ผิดหมดอ่ะรู้สึกไปสบา ย, บายๆจะส่งกันบ้านไหมเนี่ย เอาให้พวกอยู่วัดก่อนครับหลวงพ่อเคยให้ผมไปดูขันทำงานไม่แทรกแซงืะดูมันทำงานไปนะดูไปครับผมมาสการครับว่าไงเพิ่งเ พ, พิ่งมาครับเข้าวัดไม่ได้ถามว่ามาเมื่อไหร่ส่งกันบ้านมาก็เออก็พยายามดูในชีวิตประจาวันไปเ ร, เรื่อยครับรู้สึกตัวครับก็ รู้เห็นไหมมันบั ง, บงคับไม่ได้อ๋อเห็นครับนะคอยดูไปนะทุกอย่างมันเป็นเองมันบังคับไม่ได้จะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วบังคับไม่ได้ดูอย่างนี้บ่อยๆมันไปทำาอกไปบังครับใครฟุ้งซ่านบ้างระวังนะตายถ้าตายตอนนี้ตายกับโมหะนะจะ ไ, ไปเกิดที่ไหนอืม มีโมหะไม่แน่นะใจขนาเนี้มันเจืออยู่กับกุศลเหมือนกันคือถ้าไม่มีโมหะังไม่เกิดเลยงั้นบางทีเกิดมีโมหะแต่ถ้าโมหะแรงนะพวกนี้จะภาวนาไม่ได้ถ้าคนไหนเกิดมาด้วยกําลังของโมหะนะโมหะยังมีแรงอยู่นะภาวนาไม่ขึ้นนะสมาธิก็ทำไม่ได้กับ การนมัสการหลวงพ่อนะคะก็ไม่ได้ส่งการบ้านหลวงพ่อมาประมาณหนึ่งปีนะคะก็ทุกวันก็ทําวัดในรูปแบบทุกวันนะคะก็เห็นแบบที่หลวงพ่อเคยสอนนะคะว่าแม้กระทั่งทําทุกวันเนี่ยก็บางวันก็สงบบางวันก็ไม่สงบแล้วก็เห็นว่าใจมันไม่ใช่เราอค่ะเพราะมันบังคับไม่ได้แล้วมันก็ไม่เที่ยงแต่การเห็นก็ยังเจือปนด้วยความคิดก็เลยอยากจะขอคำแนะนําเพื่อปฏิบัติต่อใไปดูขันมันทํางานไป ทำให้ได้สม่าเสมอทุกวันแหละนะสังเกตไหมใจใเราปีนี้กับปีกลายไม่เหมือนกันแล้วล่ะมัน่าวนาเป็นแล้วล่ะดีขึ้นแล้วขอบพระคุณค่ะ อ, อ๋อคนจีนเนาะหนี้ห่าได้มาคำเดียวอ่ะไม่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้แปลว่าอะไรนะสวัสดีเหรออ๋อนมัส ก, การน้องพอ่ออืม ปกติส่วนใหญ่เขาบอกว่าเขาจะทำเป็นดูเวทนาแต่ตัวจะไม่รู้ว่าอาจจะเข้าไปในความทุกข์ทุกขเวทนาอยากจะขอหลวงพ่อช่วยดูว่าเขากำนัาตอนนี้ปฏิบัติถูกหรือเปล่าครับให้พยายามหัด สังเกตดูว่าร่างกายก็อยู่ส่วนหนึง่งใจอยู่ส่วนหนึง่งเวทนาที่แทรกเข้ามาในร่างกายก็เป็นอีกส่วนหนึง่งให้แยกออกเป็นส่วนๆเวทนาไม่ใช่ร่างกายเวทนาไม่ใช่จิตใจ<ก><น>พอแยกได้แล้วมันถึงจะเห็นว่าร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราเวทนาไม่ใช่ตัวเราจิตก็ไม่ใช่ตัวเรา อันนี้ก็หมายถึงหลวงพ่อสอนให้ดูกายกับดูจิตใช่ไหมครับดูกายดูเวทนาดูจิตนะคือการดเูเวทนาเนี่ยไม่ใช่ไปจ้องใส่ตัวเวทนาบางคนเวลาดูเวทนาแล้วไปเฝ้าอยู่ที่เวทนานะไม่ถูกหรอกวิธีดูเวทนานที่ถูก น, นก็เห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาเนี่ยแอบเข้ามาในร่างกายนะเป็นคนละอันกับร่างกาย แล้วก็เป็นคนละอานกับจิตจิตเป็นคนดนะูให้แยกออกเป็นส่วนๆถึงจะเรียกว่าดูเวทนาเป็นถ้าลำพางอย่างปวดท้องแล้วก็ไปดูอยู่ที่ท้องดูว่ามันปวดอะไรอย่างนี้ยงเรียกว่าดูไม่เป็นถ้าดูเป็นก็จะเห็นว่าร่างกายไม่ได้ปวดนะความปวดมันมาอยู่ที่ท้องมันไม่ใช่ร่างกายแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้านะ ร่างกายก็เป็นสิ่งที่ใจไปรู้ความปวดก็เป็นสิ่งที่ใจไปรู้แล้วนะค่อยๆหัดแยกขันไปนมัสกัดงพง ก, ก่อนออปฏิัติพิญช่วยนินจะให้ตัวนินเห็นความทุกข์ให้ตัวเองเข้าใจชีวิตแต่ตอนนี้จะรููสึกว่าทำไมยิ้มภาวนายิ่มทุกข์อ้าวก็อยากเห็นทุกข์นี่ เห็นถูกสี่ถึงเห็นนะแล้วต่อไปนี้สังเกตนะใจเราก็อันหนึ่งนะความทุกข์ก็อันหนึ่งพอมีความทุกข์เกิดขึ้นใจไม่ชอบความทุกข์ให้รู้ทันว่าใจไม่ชอบใจจะเป็นกลางกับความทุกข์มันก็จะเห็นในความทุกข์กับใจมันโคละอันกันไม่เกี่ยวกันหรอกความทุกข์เข้ามาไม่ถึงใจ นี้ยังไม่รู้วิธีคือพอไปเห็นทุกข์เราหวังว่าความทุกข์จะดับเราไม่ได้ดูเพื่อจะไปดับมันหรอกเราไปดูด้วยความเป็นกลางนะให้รู้ทันใจไม่ชอบทุกข์พอรู้ทันว่าใจไม่ชอบความทุกข์นะความไม่ชอบจะหายไปใจเป็นกลางเราก็จะเห็นว่าความทุกข์ก็อยู่ส่วนทุกข์ใจก็อยู่ส่วนใจโคด้าอันกันความทุกข์เข้ามาไม่ถึงใจ ไปหัดต่อหน้าใช้ได้อยู่หรอกการนมัสการหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้านสงเดือนก่อนหนูส่งกันบ้านแล้วหลวงพ่อบอกว่าหนูปฏิบัติถูกทางแล้วก็ให้ไปปฏิบัติในรูปแบบก็กลับไปปฏิบัติมันมีช่วงหนึ่งที่หนูมองไม่เห็นจิตอะค่ะหลวงพ่อหนูก็เลยไปดูที่กายแทน ถ, ถูกแล้วตอนนี้มันตื่นเป้นค่ะ <laughs> อย่างตอนนี้มันตื่นเต้นเราไม่ชอบมันหรอกให้รู้ทันว่าจิตมีโทสะแล้วบางขณะดูพอจะรู้ทันเคยเกิดไหมเวลาใจไหลไปคิดเ่ยคะเราก็ลืมตัวเราเองกระทั่งคิดจะตั้งคําถามนี่ไหม <c oughs> ก็จะลืมไปเรานักปฏิบัตินะใจเราหนีไปเราก็รู้ไม่มีอะไรหรอกไม่เห็นต้องถามอะไรเยอะรู้ทันจิตใจไปหลวงพ่อบางทีหนูเห็นเวทนามันดบับอ่ะอืม เราไม่ได้พาวนาเพื่อดับเวทนานะ <c oughs> ใช่ค่ะแต่ว่ามันมันรู้สึกไปหรือมันรู้สึกเองอ่ ะ, ะ <c oughs> ถ้ามันรู้สึกก็จะใช้ได้เพราะ <c oughs> จริงจริงเวทนาเกิดแล้วต้องดับทั้งสิ้นแหละ <c oughs> มันเป็นเวทนาทางกายไม่เห็นแปลกเลยเวทนาทางกายก็เกิดเราดับไม่ใช่ไม่ดับนะอย่างบางคนเป็นมะเร็งฝึกไว้นะบางคนปุ๊บปั๊บเป็นมะเร็งก็มีมันเจ็บมากเวลาเป็นมะเร็งเจ็บมากมันจะรู้สึกเจ็บทั้งวันทั้งคืน แต่ถ้าเราสติดีๆเลยเห็นมันเจ็บเป็นช่วงๆความเจ็บแรงขึ้นมาล้วก็หายไปเนี่ยก็เจ็บเราก็หายมันจะขาดเป็นช่วงๆนะดูไปดูมาในช่วงที่ไม่ไม่เจ็บเยอะเลยค่อยๆฝึกไปไม่ได้ฝึกดับเวทนาแต่เวทนาเขาดับของเขาเองนะขอบพระคุณค่ะเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะดับอะไรทั้งสิ้นเลยนะฝึกให้เห็นความจริง หลวงพ่อคะหนูไม่ส่งกันบ้านคะ่พะพ่อหนูเป็นคนที่เป็นลูกศิษย์ที่ไม่ดีคะ่ะไม่ค่อยทํากันบ้านเท่าไหรค่ค่ะเออหนูไมลูกศิษย์อย่างนี้ไม่ชอบเลย <c oughs> แต่หนูมีปัญหาเกี่ยวกับชีวิตนิดนึงอะคะ่ะคือหนูเปลี่ยนงานมาบ่อยอะคะ่ะพราะหนูไม่มีความมั่นใจในการทํางานอะคะ่ะหนูเปลี่ยนยงานมาสี่สิบกว่าที่แล้วคะ่ะเออเยอะไปนะเดี๋ยวเปลี่ยนบ่อยทนทนหน่อยคือหนูแบบหนูไม่มั่นใจในตัวเองอะค่ะเพอหนูเจออุปสรรคหนูก็แบบ ลาออกอหนูก็ถอยหนูก็ไม่อดทนหนูก็ต้องทนเอาหนูกลัวค่ะหนูกลัวหนูจะทําไม่ได้ะคะ่ะกลัวแล้วดูเอาทําไม่ได้แล้วเขาไล่ออกเองไม่เป็นไรหนูก็ชิงลาออกก่อนเขาไล่ออกออย่าหนีนะถ้าหนีไปเรื่อยมันเคยตัวกร <c oughs> ะทั่งภาวนานะเขาเจอทุกข์ก็หนีเจอทุกข์ก็หนีเจอเคยตัวนะต้องสู้สู้ใช่ไหมคะสู้สิ <c oughs> ไม่ใช่เจอความลําบากนิดนึงก็หนีนะ อย่า ก, กลัวต้องสู้เอาต้องอดทนความลําบากในการทํางานนะเทียบกับความลําบากในการปฏิบัตินะนะคนละเรื่องกันเลยคนละชั้นเลยการปฏิบัติในขั้นต้นๆน่ยไม่ยากหรอกแต่ขั้นจะแตกหักข้ามพบข้ามชาตินะนะั้นน่ากลัวนะเอาชีวิตเข้าแลกเลยขั้นสุดท้ายเนี่ยครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังนะยต้องบอกไว้ก่อน ที่ท่านบอกนี่ผ่านอยู่ฟากตายคล้ายๆเรานั่งสมาธิอยู่เนี่ยหรือเรานั่งภาวนางเราอยู่หรือเรานั่งเล่นอยู่เนี้ยจิตรวมเข้าไปเดินปัญญาไม่เกิดความทุกข์นะ mm hmm. เห็นแต่ทุกข์ลว้วนๆเลยเกิดขึ้นดูเท่าไหร่ก็ไม่ขาดนะมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในใจมันจะรู้สึกว่าอีกสักพักเดียวจิตจะระเบิดแล้วจิตระเบิดต้องตายแน่นอนเลย มารจะรีบบอกเลยว่าลุกซะเถอะเปลี่ยนไปรักษาชีวิตไว้ภาวนาต่อไม่จะหลอกเรานะจะภาวนาต่ออะไรก็กำลังภาวนาอยู่แล้วมารมันบอกให้ใหเลิกเหอะเดี๋ยวค่อยไปภาวนาทีหลังคือถ้าใจไม่แข็งพอถึงขนาดว่าตายก็ตายนะไม่ผ่านมันะจะลุกขึ้นวิ่งหนีพญามารเจ้าชายศริทถ า, ทาเลยเจอมาก่อนเรา พอลงนั่งสมาธิที่ใต้ต้นโพก็ไม่ได้นั่งหลับด้วยนะนั่งหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูรู้สึกตัวมารมาเป็นกองทัพเลยมาไล่ให้ลุกไปจากตรงนี้ถ้าไม่ลุกตายนะถ้าไม่ลุกเอาตายเลยท่านั็ไม่ยอมลุกมารก็เจ้าเล่ต่อที่ตรงนี้ของมานไม่ใช่ของพระ งั้นจะทวงที่คืนพระเจ้าเจ้าชายสิทธาถากไม่ไม่ถอยบอกว่ามารมาพูดลอยๆว่าที่ของมารมารบอกม า, ก ม, ามีพยานนะคือลูกน้องลูกน้องมารนะยืนเต็มแม่น้ําเนลันชลาใครเคยไปที่อินเดียแม่น้ํานั้นใหญ่มากนะยืนเต็มแม่น้ําเลยแต่ส่วนใหญ่มันมีแต่ทรายไม่มีน้ำหรอกทุกวันนี้คือส้วมสาธารณะ ของแขกไปนั่งเต็มเลยชาชาติทัศท่านก็ไม่อยอมลุกท่านก็อ้างพยานอ้างแม่ธรณีเป็นพยานพ่าบุญกุศลที่ท่านทำมาเยอะแล้วที่ตรงนีเหมอะกับท่านบรลังก์แห่งการตรสรู้นี่เหมอกกับท่านท่านไม่ถอยนะละมันก็แพ้ไปมัน่าไหลาตามน้ำไปมันขึ้นบกไม่ได้ ทานรัศมีพระโพธิสัตว์ไม่ได้เสรจแล้วมันก็แพ้คือถ้าท่านใจสออท่านลุกขึ้นมานะท่านก็แพ้มานงั้นเวลาเราทําอะไรนะยากลําบากก็ต้องอดทนนะลําบากนิดนึงก็หนีลําบากนิดนึงก็หนียิงสะสมนี่ใส่ขี้หนีไว้สุดท้ายจะหนีมานนี่แค่กลัวทํางานไม่ดีก็หนีแล้วตอนจะสู้มานนะถ้าไม่หนีต้องตายนะนี่ กระทัต า, ตายยังไม่กลัวเลยถ้าจะกลัวทํางานไม่ดีหรอไม่ต้องกลัวหรอกฝึกฝึกไว้เข้มแข็งหน่อยแล้วทํำยังไงถึงจะมีความมั่นใจในการทํางานนะคะเอาสู้มากๆเข้ามันก็ชนะบ้างแล้วมันก็มั่นใจมากขึ้นเลยหนีตลอดนะชาตินี้ไม่มีความมั่นใจหรอกเหมือนพาวนาเหมือนกันนะเราตั้งใจไว้ทุกวันเราจะพาวนาในรูปแบบแต่พาวนาบ้างไม่ภาณาบ้างหนีบ้างอะไรบ้างนะใจอ่อนแอ ไม่มีความมั่นใจในตัวเองที่จะปฏิบัติถ้าอดทนนะล้มลุกคลุกคลานก็ไม่เป็นไรนะภาวนาไม่เลิกอะ่ะทุกวันจะต้องทำก็ไม่เลิกอะ่ะยากลำบากแค่ไหนก็ไม่เลิกอะ่ะผ่านไปหลายๆเดือนนะใจเข้มแข็งนะการภาวนาจะเต็ดเดี่ยวเข้มแข็งมากขึ้นมากขึ้นเราจะเป็นอย่างที่เราทำนะถ้าเราเป็นคนยอมแพ้เราก็จะแพ้เก่งถ้าเราเป็นคนสู้เราก็สู้ได้ สู้ทีแรกไม่จำเป็นนอชนะแพ้ได้แต่แพ้แล้วไม่เลิกเ <c oughs> คยรู้จักจันทรคุปไหมเคยได้ยินชื่อัหมจันทรคุบเป็นต้นราชวงศ์พระเจ้าอโศกแต่เดิมก็เป็นฝ่ายรัฐบาลเรียกว่าเป็นพวกโจรจันทรคุปเนี่ยรวบรวมกำลังแล้วเข้าตีเมืองหลวงตีทีไรแพ้ทุกทีเลย แพ้ก็หนีก็เซืร์กก็เสิรกไปแล้วไปรวมกําลังมาตีอีกหลายรอบนะก็แพ้ทุกทีเลยแต่ไม่เลิกวันหนึ่งก็แตกทับไปนะหนีไปมุดอยู่ใต้ถุนบ้านชาวบ้านเขาไปหลบอยู่ข้างหลังบ้านเขาใหญ่ผู้หญิงคนหนึ่งก็ทําขนมให้ลูกกินเป็นแป้งแป้งเขทําทแป้งสุกร้อนๆนะลูกก็คุปตะตรงกลางเลยอุ้ยร้อนจัดคินไม่ได้ ยาแม่ไม่รู้นะว่าโจนจันทรคุบมาซ่อนอยู่หลังบ้านยายแม่ก็ด่าลูกสาวอีงโง่โง่เหมือนโจนจันทรคุบเลย <c oughs> อยู่ๆไปกินตรงกลางได้ไงมันร้อนก็ต้องกินขอบๆเข้ามาสิ ค, ค่อยๆเล็มขอบมาโอโจนจันทรคุปปิ้งเลยทําสงครามชนระบบล้อมเมืองนะไล่เข้ามาจนยินม้มเวรหลวงได้ตั้งราชวงศ์ของพระเจ้าโศก ข, ขึ้นมา ถ้าโจรจันทรคบขี้กลาดนะลับแพ้ทีเดียวแล้วเลิกเลย <c oughs> ก็ไม่ได้ตั้งราชวงศ์ราชวงศ์ั่นต้นราชวงศ์ั่นรบกับช่อ ป, ปะอ๋องแพ้ตลอดชนะครั้งเดียวตั้งราชวงศ์สืบราชสมบัติสี่ร้อยกว่าปีเพราะฉะนถ้าเราจะแพ้นะต้องสู้ก่อนสู้ให้เต็มที่ก่อนแพ้แล้วกลับมาสู้ใหม่ไม่ดีไม่หนีนะ หลบไปก่อนไปรวบรว ม, มกําลังแล้วสู้อีกการพาวนาก็ต้องแบบนั้นนะใครมันจะวิเศษวิโสอะไระไปสู้กุมารได้บางทีก็แพ้กิเลสบางทีก็แพ้มารบางทีก็ถูกกิเลสถูกความคิดตัวเองหลอกเอาแพ้ล้มลุกลุกลานล้มแล้วต้องลุกถ้าคลุกฝุ่นอยู่ก็ต้องคลานไปไม่อยู่กับที่ชีวิตมันถึงจะชนะขึ้นมาได้หลวงพ่อไม่เก่งนะไม่ใช่คนเก่งแต่หลวงพ่อเป็นคนอึด ทนมากเลยในการฝึกตัวเองไม่เลิกน้ำหนักมากนะจะบวชนี่ต้องคุกเข่านานปกติคุกเข่าได้ไม่กี่วินาทีแข้งขาแทบหักเลยแต่เราจะต้องบวชหลวงพ่อซ้อมนั่งคุกเข่านะซ้อมอยู่ปีกว่าซ้อมทุกวันนะวันหนึ่งเพิ่มได้ห้าวินาทีก็ดีใจแล้วค่อยทาทุกวันนะอดทนมากนะในการฝึกตัวเอง ถึงตอนบวชจริงๆนะพระเนี่ยใจสั่นไปทั้งบวเลยกลัวเราหัวทิ่มลงมายบบ <c oughs> ต้องสู้ถ้าไม่สู้ก็แพ้ตลอดไปก็แค่นั้นเองถ้าสู้ก็มีโอกาสชนะลูกพระพุทธเจ้านักสู้นะหมดแล้วฝนก็ยังไม่หยุด ไม่อยู่ก็แล้วไปเถอะนะหมดเวลาแล้ว <c oughs> อา้าท่านนี้ก็แล้วกันเราก็ไม่รู้จะไปหลบที่ไหนนะฝนมันนั่งกันเต็มสาราอยู่ที่นั้น